ที่เห็นเป็นโชคชะตาหริคิดทีวิตผู้คนอาจเคยน้อยใจและยังสับสนกับปัญหามากมายวกวนมาเกิดกับฉันได้ยังไง ว่าเพระ อ, อะไรต้นเหตุคือใครที่ไหนกันสิ่งที่เธอนั้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทุกข์ต้องทนดูไรเหตุผลได้แต่โทษฟ้าโทษ ด, ดาวแต่ในความจริงที่เป็นทุกอย่างได้มาเพราะเธอ มันอยู่ที่ตัวเธอนั่นเองอยากลองดูเรื่องกรรมคือการกระทำของเธอแม้คิดในใจอาจคอยส่งผลร้ายรยอยากลึกลับแต่มันคงกับการส่งผลของกรรมเคยทำอะไร แม่ดูและดาวจะไม่พร่าแสนแม้วันนี้จะอ่อนแรงด้วยว่าทำดียังมืดมนให้มั่นใจไว้สิ่งที่เจอมีแห่งมีทนให้ยิ้มและสู้อดทนไม่นานเรื่องร้ายจะผ่านไปสิ่ง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 กรทำของเธอแม้คิดในใจอาจคอยส่งผลรา้ายอาจลึกลับแต่มันคงกับการส่งผลเข้ากัเคยทำอะไรทำดีหรือร้าย แ, แม้วันนี้จะอ่อนแรงด้วยว่าทำดียังมืดมนให้มั่นใจว่าสิ่งที่เจอมีเฮตุมีผลให้ยิ้มและสู้อดทนไม่นานเรื่องร้ายจะผ่านไปหากยังทำดี ว้อหากเป็นคนดี